ชี ว, วนหนึ่งคืนหนึ่งถ้าหากว่าเราเคยทําสิ่งที่มีดีไว้ในอดีตแต่มันเกิดความค้างคาใจและเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยวิธีการที่จะทําให้สิ่งที่มันค้างคาใจในอดีตนั้นลบเลือนไปได้แม้ว่ามันอาจจะลบล้างไม่ได้แต่มันสามารถที่จะลบเลือนไปได้ด้วยการและเวลา วิธีการปฏิบัติก็คือเราทำสิ่งใดที่รู้สึกผิดนยถ้าอยากให้มันหายไปจากใจเรานั้นเราต้องอย่าทาสิ่งนั้นอีกถ้าจะทาขอให้ทำสิ่งที่ดีๆที่เป็นบุญเป็นกุศลิ่งดีใหญ่เลยแล้วก็อย่าคิดถึงสิ่งที่เราทาผิดบ่อยๆ อ, อย่าให้เราจำได้จำได้ไม่ลืม นีต่อมาก็คือต้องรู้จักอยู่กับปัจจุบันทาจิตที่อยู่ปัจจุบันเข้าไว้เพราะเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั่นเป็นเรื่องราวในอดีตแต่ตอนนี้เราอยู่กับปัจจุบันเรื่องราวที่อยู่กับปัจจุบันทั้งหมดเนี่ยแม้ว่าจะมาจากอดีตสักนานหลายเดือนหลายปีถ้าว่าเราไม่เป็นย้อนนึกถึงมันเนี่ยอยู่กับปัจจุบันเขาไว้เนี่ย สิ่งน้นมันก็จะค่อยๆหายไปอย่าอยู่ว่างๆจะอยู่เฉยๆหาอะไรทําแล้วกเอาใจจดจ่ออยู่กับงานเราก็จะอยู่กับปัจจุบันตลอดเวลาเมื่อเราตั้งจิตอยู่กับปัจจุบันได้เมื่อไหร่แล้วก็เราจะไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะสิ่งที่มันค้างคาใจอีกต่อไปแต่สําคัญก็คือเรื่อง การเวลาเรื่องราวบางอย่างต้องอาศัยการเวลาแม้ว่าการเวลามันผ่านมานานแล้วก็จะนึกถึงมันเรื่อยๆก็เพราะว่าเราไปย้อนนึกถึงบ่อยๆมันก็จะไม่ลืมนาทีนึงเพราะฉะนั้นการอยู่กับปัจจุบันด้วยการทำหน้าที่ของเรานะตั้งใจทำหน้าที่อยู่กับปัจจุบันเนี่ยใจเราก็จะไม่ตกไปในอดีต ไม่วิ่งแแบในอนาคตแต่อยู่กับปัจจุบันและจิตใจที่สบายสบาย